พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับโดยดุษณนียภาพแล้วจึงเสด็จไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อว่ารัมมะกะถามว่าท่านนนธรรมทำไมจะต้องแบบหาโอกาสจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยนิมนต์พระพุทธเจ้าเพราะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ห่มจีวรใหญ่หรือพระองค์เนี่ยมีความคิดเหล่าใดขึ้นมาการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนใจพระองค์ยาก เพราะฉะนั้นชื่อว่าเปลี่ยนพุทธประสงค์นี่เป็นเรื่องที่หนักมากนะครับเาไม่มีอะไรเปลี่ยนใจได้ถ้านนขอสิ่งที่พระองค์ประสงค์เนี่ยนะเคยมีหลายคนบอกว่านี่มนเปลี่ยนเถอะเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีใครทําสําเร็จสักคนเดียวเนี่ยนะพระองค์จะเปลี่ยนพุทธประสงค์เนี่ยหนักมากเหมือนอะไรเหมือนเหยียบมือจับที่ราชสีที่เที่ยวไปตัวเดียวนะคนที่คิดจะเปลี่ยนใจพระพุทธเจ้าก็เหมือนจะเอื้อมมือไปจับ จับราชสีเนี่ยนะเหมือนกับเอื้อมมือไปจับงวงช้างตกมันหรือเอื้อมมือไปจับคออสอรพิษที่กําลังแผ่แม่เบี้ยอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องหนักอย่างนั้นแหละฉะนั้นพระอันนี้พระนนก็ได้นิมนต์ขอร้องเนี่ยนะอ้อนวอนพระพุทธเจ้าว่าอนุกรรมปังอุปาทายะอนุกรร ม, มะเนี่ยเป็นชื่อของ อ, อนุกรรมปะเป็นชื่อของกรุณาเพราะฉะนั้นพระองค์อาศัยความการุณาแก่พระพิษุ500รรูปเนี่ยนะ ผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีความตั้งใจจะฟังธรรมมีคาถาเฉพาะพระพักของพระองค์ขอให้พระองค์อาศัยความกรุณาไปเพื่อส่งเคราะห์พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเถอทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปที่อาสมของพรามชื่อว่ารัมะกะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาพระภิกษุทั้งห้รอรูปเนี่ยนะนั่งสนทนาธรรมมีคาถาอยู่ณนะที่นั้น พระพิสูจน์ั่งสนทนาอะไรทรมิกระายะรรมิยากถายะนั่งประชมการชมพระบารมีสิบประการเนี่ยนะนั่งชื่นชมพระบารมีสิบว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบารมีเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลบารมีพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเนกขมบารมีพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติสัจจะที่ฐานเมตตาแล้ว อุเบกขาเนี่ยนะทานาะปารามีสัมปันโนนะแบบที่เขาสวดกันอนะ่ะถ้าสวดด้วยความเข้าใจเนี่ยโอ้ได้รับประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะ เพราะว่าพระแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยฐานบารมีแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลบารมีแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระองค์ถึงพร้อมด้วยเนคขมะบารมีถึงพร้อมด้วยบัญญาวิริยคันติสัจจะที่ฐานเมตตาและอุเบกขาก็ยกบารมีมาชื่นชมมาสันเสริญเนี่ยนะถ้าพระองค์ไม่ทําบุญมามากสร้างบารมีมาเยอะพระองค์จะได้ตรัสรู้อย่างนี้พระองค์จะมีคู่นานุภาพเป็นอจินไตยอย่างนี้หรือ ในที่หนึ่งในยะที่สองก็บอกว่านี้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาดีไม่สั่งสมอัตยาสายมาดีพระองค์จะได้ออกบวชไหมก็จริงจริงแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยไม่รู้จะออกบวชได้ยังไงไม่รู้จะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าอย่างนึกนึกไม่ออกว่าจะออกบวชได้ยังไงหนึ่งท่านก็เป็นพระราชา เ, เป็นจักรเจ้าชายที่ มีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่รู้จักความทุกข์แม้แต่เล็กน้อยไอการออกบวชก็ไม่รู้ออกไปที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้ประชาชนก็ไม่เห็ว่าจะมั่งมีร่ำรวยอะไรมากมายในยุคนั้นนะแล้วก็อันอันหนึ่งต่อไปอันต่อไปก็คือลูกก็เพิ่งคลอดเนี่ยนะก็เพิ่งมีลูกแล้วก็มเหสีเนี่ยนะพระนางยโสธราพิมพ์าไม่เคยขัดใจว่าโพธิสัตว์เลยเนี่ยนะ เป็นเรียกว่าเป็นมเหสีที่รักพระโพธิสัตว์เนี่ยรักมากไม่เคยขัดใจไม่เคยอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเหตุในอดีตก็เป็นพวกปุกเพกตปุญญาตาอยู่ร่วมกันมาไม่รู้กี่ล้านชาติมาแล้วเนี่ยนะถ้าพูดถึงแ ม, แม้กระทั่งว่าชาติใกล้ๆเป็นพระเวสสันดรก็อยู่ด้วยกันมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีเนี่ยนะนที่จะสละจากไปได้ง่ายหรือแล้วก็ราชสมบัติล่นะ ราชสมบัติที่มีอยู่หาที่สุดทาประมาณไม่ได้และตัวเองจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญสั่งสมอัธยาสายัยสร้างบารมีมาดีพอเนี่ยนะบอกแหมแทบไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังสละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกมาบวชได้ชื่อว่าพระองค์ได้กระทาในสิ่งที่ทำได้โดยยากเนี่ยนะพระพิสุก็เลยนั่งสนทนากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะนั่งสนทนากัน ร, รอพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอกคอยให้พิสุนั้นสนทนาธรรมมีคาถากันให้จบลงนนคุยกันไปนนพระองค์ก็ยืนฟังอยู่เนี่ยนะอธิบายว่าอาคยามาโนพระองค์ก็ชะเง้อทีอ่บายว่าพระองค์ไม่พลนๆเสด็จเข้าไปด้วยถือพระองค์ว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์กลับยืนประทับยืนอยู่จนกว่าเขาจะพูดจบยืนรอเขาได้นะให้เขาคุยกันให้จบก่อน นะท่านก็เข้ามาก็เหมือนกันนะสังเกตหลา ย, ลายๆครั้งเข้ามาจะนั่งฟังให้เขาคุยกันให้จบก่อนแล้วก็ค่อยค่อยแสดงทำให้เขาฟังนะถ้าคุยยังไม่จบก็จะนั่งรอเนี่ยนะสิบยีนาทีก็รอได้ขอให้เขาคุยให้จบถ้ายังไม่จบแล้วแหมคุยแข่งกันมันพูดยากอยากไม่รู้ใครจะฟังใครนะนะสงสารคนพูดกับสงสารสงสารคนฟังกับสงสารเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคุยธุระให้จบก่อนนะค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยฟังทำอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า ทีนี้พระ อ, องค์ก็ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสนทนากันจบแล้วพระ อ, องก็กระแอมกระแอมเสร็จแล้วก็เคาะบานประตูป๊อกๆกันนะเคาะประตูภิกษุทั้งหลายก็เปิดประตูรับเสด็จพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อว่า ร, รัมมกะประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเอาไว้พระ อ, อง์ก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนาการค้างเอาไว้เราพูดอย่างเหมือนว่ายังไม่จบนะแล้วพระองค์เสด็จมา ก, ก่อนนะ่ะพูดอะไรหรือภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำมีกระถาปรารบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแลที่มานั่งพูดก็นั่งพูดเรื่องพระองค์แลลวไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นรอกพรเจ้าค่าเพราะั้นพวกข้าพระองค์พูดกันค้างอยู่ ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงกระหวะพูดไปรัพระองค์ก็คือพูดสรรเสริญพระพุทธคุณต่างๆของพระพุทธเจ้านั่นเองพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุดีละพิสูจน์ทั้งหลายอันดีดีดีเนะนี่ยนะฮะนุโมทนาด้วยนะสาธุว่างั้นการที่พวกเธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนไม่มีเรือนมาบวชกันด้วยศรัทธาคือมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ ตรัสรูดีเป็นผู้มีศรัทธาว่าพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยนะนำออกจากทุกข์แล้วก็มีศรัทธาว่าตัวเองสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนได้ น, นะเมื่อพวกเธอเนี่ยออกจากเรือนไม่มีเรือนออกบวชอยู่ด้วยศรัทธานั่งสนทนาธรรมมีกระถาตรารบพบุทธคุณเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรเป็นการกระทําที่สมควรเป็นการกระทําที่เหมาะสม พวกเธอเมื่อนั่งประชุมกันควรทากิจสองอย่างนะเวลานั่งคุยกันนะเจอหน้ากันเข้าสมาคมควรทากิจสองอย่างคือสนทนาธรรมกันหรือนั่งนิ่งตามตำเนียมแบบแผนของพระอารียาเจ้าข้อแรกที่บอกว่าสนทนาธรรมกันนี่สนทนาอะไรควรสนทนาว่าด้วยเรื่องมากน้อยนะควรนั่งพูดคุยกันเรื่องมากน้อยคุยกันเรื่องสันโดรเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องวิเวกเรื่องปรารบความเพียร พวกเธอควรนั่งสนทนาการเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุติเรื่องวิมุตติญานนณทัศนะเพราะพวกเธอควรนั่งสนทนาธรรมกันอย่างนี้หรือถ้าไม่คุยธรรมะคุยกะถาวัตถุสิทธิ์ก็นิ่งแบบพระเรียเจ้านิ่งยังไงก็นิ่งด้วยกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะนิ่งด้วยกรรมฐานที่ตัวเองถนัดเช่นนิ่งด้วยเมีตาหรือนิ่งด้วยพรหมวิหารนิ่งด้วยการเจริญอ น, อนุสติหรือนิ่งด้วยการเจริญสมมถะแล วิปัสนาหรือไม่ก็เข้าทุติยะฌานไปเลยคำว่านิ่งแบบผ้าเรียเจ้าเนี่ยนิ่งแบบไม่มีวิตกเลยว่างั้นะไม่ใช่หลับไปเลยเน้ยนาลายเลยยืดอย่ตงนั้นไม่ใช่นะทีนี้พระองค์ก็แสดงธรรมว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายการสแสวงหามีสองอย่าง น, นนะคือคือ ที่ที่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยพูดคุยกันเนี่ยพูดคุยปรารภพุทธคุณใช่ไหมปรารภพุทธคุณปรารภบารมีที่พระองค์บำเพ็ญม า, าพูดสนทนาการปรารภถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตรัสถึงการแสวงหาที่จริงก็เป็นาการแสดงธรรมของพระองค์ก็เป็นไปตามแนวที่พระพิสุททั้งหลายสนทนาการค้างเอาไว้นั่นเองคือปรารภถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้าเพราะโลกนี้มันก็มีคือมีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน สแสวงหาจริงๆนะทุกคนเนี่ยสแสวงหาอะไรบางคนคือจริงๆนะไปเนี่ยนะชีวิตแต่ละคนที่ไปเนี่ยเช่นเดินทางก็ต้องมีที่ไปใช่ไหมมีที่หามีที่ต้องการไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรทั้งหลายจริงๆแล้วก็คือการสแสวงหาจะหลับจะตื่นจะทํางานหรือไม่ทํางานจะพักผ่อนก็ต้องสแสวงหาสักอย่างหนึ่งแหละ สแสวงหาอันนั้นจะสแสวงหารูปธรรมหรือนามธรรมจะสแสวงหารูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณอย่างการทํามาหาเลี้ยงชีพทั้งหลายสแสวงหารูปการพักผ่อนทั้งหลายสแสวงหาเวทนาเนี่ยนะหรือสแสวงหาสัญญาหรือแสวงหาสังขารแม้แต่เราฟังธรรมนี่ชื่อว่าสแสวงหาไหมหาเน้นจริงเราฟังเพื่อให้หาอะไรถ้าฟังให้ถูกต้องตามคําสอน ฟังธรรมเพื่อแสวงหาศีลหาสมาธิหาปัญญาหาวิมุติหาวิมุติยาณทัทสนะแสวงฟังธรรมเพื่อหาอริยมรรคอริยผลและพระนิพานซึ่งจริงๆแล้วก็คือการแสวงหามันโลกการแสวงหาจะมี2อย่างแสวงหาแบบพระอริยะกับอนาริยการแสวงหาของผู้ไม่ประเสริฐหรือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐอย่างหนึ่งกับการแสวงหาที่ประเสริฐ <Y uch an> อยู่ในโลกการแสวงหาทึ่เรามานั่งๆกันตรงนี้ก็นั่งแสวงหาเดินก็เดินเพื่อไปหานั่งก็นั่งหานอนหายืนหาเดินหานั่งหานอนหาไม่ใช่หาวนะทางหาวก็ง่วงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่หาวเข้าไหมไม่รู้ไปทำอะไรกันมามันทําไมเช้าๆกันง่วงกันอย่างเลยน ะ, ะก็เรียกว่านั่งหาวกันนะนั่งหากันนั่งหาวมันก็อยู่ใกล้ๆกันใน่ยนะทีนี้การแสวงหาเนี่ยมีอยู่2อย่างนะหาแบบประเสริฐกลับไม่ ประเสริฐเนี่ยนะการสแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐ เ, เล่าเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพิสุประนั่งอยู่นะที่ใดก็ตามอยู่คนเดียวก็ตามอยู่หลายรูปก็ตามจะต้องจัดพุทธอาสนะเรียกว่าปูอาสนะเอาไว้สำหรับพระพุทธเจ้าในทุกที่ ทุกที่ที่พระมีพระภิกษุที่นั่นจะต้องมีอาสนะไว้สําหรับพระพุทธเจ้าทําไมล่ะทาไมจะต้องจัดอาสนะไว้สําหรับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใส่พระไตยถึงภิกษุที่เรียนกรรมฐานในสํานักของพระองค์แล้วอยู่ในที่ผาสุขหมายว่าไปหลีกเล่นใช่ไหมพอไปเรียนธรรมะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่ากับรับกรรมฐานมาแล้วก็ไปหลีกเล้นเมื่อไปหลีกเล้นเนี่ยพระองค์ก็จะตรวจดู ว่าภิกษุรูปโน้์เนี่ยเรียนกรรมฐานในสำนักของเราแล้วสามารถทำคุณนะวิเศษให้บังเกิดขึ้นหรือไม่เน อ, อพระพุทธเจ้าเป็นคนตามงานลรวพูดแบบภาษาหนึ่งเนี่ยเรียกว่าตามงานมากแสดงทำให้ใครฟังไปแล้วไม่ใช่จบอยู่แค่ตรงนั้นนะตามเขาไปว่าเขาทำอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาปฏิบัติตามที่พระองค์สอนอยู่หรือไม่เขากาลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ น, นะอุสาหะเรียกว่าอุสาหไปเรียนธรรมามาเนี่ยนะ ดูซิว่าเขาไปคิดอะไรกันไปพูดอะไรกันไปทําอะไรกันเนี่ยนะทีนี้เห็นว่าภิกษุเหล่านั้นละเลยกรรมฐานสอนเนคขมะวิตกไปไปเจริญกามมวิตกเนี่ยนะโปร่งสอนอัพยบาศวิตกไปเมตตากขาไานั่งโกรธใครสักคนอยู่อย่างเงี้นะโปร่งสอนกรุณาไปนั่งตําหนินั่งด่าใครอยู่ในใจอยู่นั่นแหละนั่งบ่นเนี่ยนะบางคนเนี่ยบ่นออกมาเป็นเสียงเนี่ยนะบ่นในใจบางคนมีบ่นเป็นเสียงออกมาก็มีนั่งงุบงิบอยู่ในใจอยู่นั่นแหละเนี่ยนะพระองค์ก็ไปเลยนะไปยังไง พระองค์ก็บอกว่าอย่างไรแล้วอกุศลวิตกจิตที่เป็นบาปครอบงำกุลบุตรผู้ซึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักของาศาสดาเช่นเราคิดว่ามีอาจารย์ระดับนี้แล้วไปนั่งอกุศลได้ยังไงเนี่ยนะไอความคิดที่เป็นอกุศลวิตกตัวนี้แหละจะทำให้จมตกลงไปในวัตทุกความคิดที่เป็นมิจฉาสังกปะเหล่านี้นี่แหละที่จะนาไปสู่ชาติชราและมรณะ อกุศลวิตกเหล่านี้นี่แหละที่จะฉุดไปสู่วัฏสงสารที่อดีตไม่มีใครตามรู้ได้แล้วเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อไหร่จะสิ้นสุดไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพื่อจะอนุเคราะห์กุลบุตรเหล่านั้นพระองค์ก็เหาะหวายวับจากพระคันธกุตีปรากฏต่อหน้าทีนี้ถ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยน ะ, ะพระองค์ก็ ภิกษุก็โมแต่คอยหาโอ้มนต้นั่งตรงนั้นอ้ที่นั่งอยู่ที่ไหนนะก็โมแต่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ก็จัดอาสนะบอกว่านิมนพระ อ, องค์ประทับนั่งะนะเพราะฉะนั้นก็บางคนมีเตียงก็จัดเตียงบางคนมีตังก็จัดตังเอาไว้เบดเสร็จเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็ประทับนั่งนั่งแสดงธรรมเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็อันตรธานหายวัดไป น, นะนะเขาบอกว่าโอ้ยสมัยก่อนพระภิกษุตั้งเยอะแยะมากมายพระพุทธเจ้าสอนทํำยังไงเนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยนะเระั้นแวบเลยนะใครคิดอะไรอยู่ตอนนี้ นะถ้าเป็นอกุศลอยู่ก็แวะจะเผยพระพักต่อหน้านั่นแหละทำอะไรอยู่เหรอเน哈哈 now, Sims ี่ยนะคิดอะไรอยู่เน <unseren ng> ี่ยนะก็จริงอะนะอย่างที่พระอ่พระอะไรนะตัวอย่างพระมานุรุทธะเนี่ยกำลังนั่งคิดคิดคิดคิดคิดคิดอยู่เนี่ยอ่นุรุทธะมานุรุทธะกำลังคิดถึงมหาปริสวิตตกตรึกเออธรรมะนี้เนี่ยนะ ธรรมะคือการโลกุตระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของคนมากน้อยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมากมากเป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษเป็นผู้ไม่คลุกคลีไม่ใช่ของคนคลุกคลีเป็นของคนมีศรัทธาไม่ใช่ของคนไม่มีศรัทธาเป็นของคนมีความเพียรไม่ใช่คนเกียจคร้านเป็นของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสตินี้เป็นธรรมะของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุ้งซ่านเป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาเนี่ยนะก็คิดได้เจดข้อละ พระพุทธเจ้าก็ประพักมาเออสาทุคิดดีแล้วดีแล้วเนี่ยนะเรบอกว่าเป็นธรรมของผู้ไม่มีเครื่องเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีเป็นเรื่องของผู้ที่ยินดีในพระนิพพานมีนิพพานเป็นที่มายินดีก็ว่ายินดีในพระนิพพานเนี่ยนะ